ของพุทธเจากนั้นท่นว่าเช่นเพียงขัดเกลาเหลรดแต่เพราะว่านักฟังสมไมปัจจุบันทุวันนี้การฟังธรรมะการสั่งสอนพระพุทธเจ้าดูเหมือนจะออกละอ่างไม่ค่อยน่าแน่นเหมือนสมัยก่อน ตอนนี้จะเนื่องจากผู้แสดงทำหรือจิตใจของผู้ฟังก็อย่างรู้ไม่ากเพราะถ้าหากมีการมหาและศพทำงานต่างๆกางเล่นต่างๆทุบตังเพิงตังระลังรู้สึกว่าหนาเน่นส่วนการตังเลือดตังทำ รู้สึกเบาไปทุกวันทุกระลับ้าหาจัดนะครพิจารณาหลื่องของธรรมะก็เป็นเครื่องขัดเตาที่เลิศและให้ความสุขแก่ผูส้สระดับรับฟังแล้วยอมพิจารณาอยากเนี้องตันเพราะหานผู้ฟังไดมีความสุขตายสบายใจเ้าตการฟังธรรมะ ก็จะมีผู้ยินดีเข้ามากระดักรัตฟังกันส่วนมากนี่เมื่อพูดถึงธรรมะขึ้นโดยสฉ้าอย่างยิ่งพวกหนุ่มๆเขาษาเขาเอวยาจะฟังเพื่อจันท่ า, านั้นลูกกันไปเป็นตื๋สาวสีเียบแต่ถ้าหากเรื่องมหาลักษณเขาเหล่านั้นไม่ต้องเลยเชืเ่อเกิง อเองยินดีบูจนจบเรื่องฟังจนจบเรื่องถึงใคาจับดึกดื่นเพื่อนคืนหรือ็นอย่างไรในจำนวนคนคนนึงถึงส่วนทางธรรมะีขออกวาจาเอางธรรมขึ้นไปแต่เดียวเดียวเ่านั้นรู้สึกขับข้างรู้สึกไม่พอใจแสดงอาจับจิตวิญาณขาดทางสั่งๆเยอะก่อไอเยอะก็อจามเยอะก่อ เกดหลังปวดเอวบนกันไปทุกสิ่งทุกอย่างได้เจออาธรรมะสิ่งเป็นยาขกลที่เลิกกระจายไปเป็นเรื่องเพิมทุกข์แก่ผู้สบนักเกิดใดทุกสิ่นอย่างนั้นข้อสำคัญพวกเราที่เป็นนักฟังคอยทีนี้จารณานเรื่งธรรมะเข้าไปสสนตรงจิต ไปสู่อารมันอื่นเศรษดนั้นธรรมะที่ไม่เข้าไปไปร่จใจทองเขาผู้ที่นั่งฟังอยู่ถ้าได้รับความอบอุ่นหรือเยียกเย็นเลยตายเป็นภาคสกไม่มีความสุขความสบายทางตายทางใจทั้งทั้งข้นี้จะตำหนิท่านผู้สับรับฟังโดย่ายเดียวไปยังไม่ได้ อาสัยผู้สแสดงอีกเหมืนอนกันผู้แสดงทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในสมัยเก่าก่อนตัวของพระองค์เองเป็นผู้สแสดงผู้จากอัจยาใสายใจคอของผู้แสดบรับฟังว่าการแสดงคำวันนี้หรือจระพุทธบริษัทพวกนี้เราจะแสดงอะไรให้เขาฟังจึงจะเป็นผลเป็นประโยชน์ท่านมีพยานในจุดในใจของท่าน ท่านกำหนดคุณวิจัยนยาเสียก่อนจนว่าบริษัทพวกนี้ควรแสดงอย่างนี้จะได้รับผลรับประโยชน์จากการระดับรบาษฎงๆพอท่านแสดงขึ้นไปผู้ฟังก่อติดอสิตใจติดตามทำคำต่างสอ น, อนท่องท่านคุณวิจัรณาวากบนสอนใจท่องคนจนได้สาเร็จมัดผลในสี่สัปดาหแนนี่เรื่องของข่าวสาแสดงทำแต่ สมัยปัจจุบันทุกวันนี้ทั้งคู่ฟังก็ดีทั้งคู่เทศก็ดีเข้าเข้ากันคือมตังค์นตังค์หน่ตังค์นต่างามไม่สลาดเหมือนกันกันกบแนื้อัวที่ไม่สลาดปรุงอาหารอาหารที่เอามาปรุงก่อเป็นอาหารไม่ดีแม่้อชัวก็ไม่สลดัดเมื่อปรุงเข้าไปรสขาตของอาหารถึงไม่ค่อยอ ร, อร่อยในม่มีผู่นิยมชงชอบจะไปรับประทานเพราะ ตรวจปรงอาหารได้ดีข้อนี้เรื่องของผู้ฟังและผู้เชิดสมัยปัจจุบันทุกวันนี้โดยส่วนใหญ่อยากจะเป็นไปทํานอง น, นั้นผู้ฟังก่อเป็นคนโง่ผู้เชิดก่อเป็นคนโง่หาทาวามเสียตลาดคอจะเนะสอนกันไม่ได้ผู้ฟังก็ไม่ตั้งใจผู้เชิดก็เชิดเสียไม่ได้เชิดนั้นมักผลทคำพูดเสือกจึงไม่ค่อยเกิดขึ้นความจริงความคำาั่งสองงนของพระพุทธเจ้าจยังคงเส้นคงวา ไม่ได้ผิดหายหรือต้นอื่นไปท่านพูดอะไรท่านบอกอะไรังคงที่ดีงามอยู่อย่างนั้นแต่แค่ว่าผู้นามาแสดงไม่ฉลาดไม่รู้จักอัธยาศัยใจพอของผู้ระดับฟังผู้ฟังเล่าผูฟังหวังแต่บุญเพื่ออยากจะได้บุญในการฟังเท่านั้นไม่ได้นำทำคำสัำ่งสอนที่ท่านแนะ้ออกไป ไปกําหนดที่นิจจาระน า, าทราบผิดถูกอย่างไรถ้าหากตังใจฟังยังจะแฉะจะฟังเอาบุญเท่านั้นผลประโยชน์ที่จะได้มันก่อน้อยนิดหน่อยเท่านั้นไม่เหมือนกันกับผู้ฟังตั้งใจจะเอาไปแก้ไขปมดอกคือความชั่วออกจากกายจากใจของตนคนที่ตั้งออกตั้งใจสดับรับฟังแม้ว่าจะเป็นผู่จะจับความ ไม่ดีในงานในทางแสดงธรรมพัดทานหรือทัดทานเรื่องการแสดงทั้งคันก็ยังดีกว่าผู้ที่ในตั้งใจกระดับรับฟังเพราะจะได้คือฤทธิ์เจรินาธรรมที่ทททออกจากปากทอ้งคันไปว่าถูกถูกอย่างไรเมื่อท่านเพื่อจบลงไปก็จะได้ใส่สวนหรือติดถามใน พ, อ, นในพอใจหรือจนในพอใจหรือจนสงสัยหรือขุดตัดคำ ความเห็นของตนบุคคลผู้ตั้งใจสลรับรับฟังอย่างนั้นย่อมเข้าใจในการแสดงออกไปว่าผิดผูกหรั่วยากไร่กับอย่างไรถ้าหากทุกคนที่นั่งฟังตั้งใจจะจับผิดจากหลักคำของพระพุทธเจ้าย่ยอมเป็นสารประโยชน์เพราะเหตุที่ว่าคำตั้งอนของพระพุทธเจ้าเป็นของดีวิเศษ หากเราฟังที่เจรณาตามหรือจะจับจุดจุดคิดว่าท่านแนะไปสอนไปไม่มีจุดใดที่เราจะถือเอาว่าเป็นของ่วดชารามกตกลงว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกข้อยทุกคำที่ท่านสั่ออกไปเป็นของที่มีสาระประโยชน์แก่ผู้บาเพ็ญหรือผู้กระทำตา ม, ตามเมื่อเราเห็นไปจากชาตเจน ไม่มีข้อแย้งหรือไม่มีข้อคัดขานทำคำต่างสอนไาเราก็จะปฏิบัติกายวาจาใจของเราไป ต, ตามแนวแถวที่เ่าพุทธเจ้าท่า น, นทรงสแสดงเมื่อเราในต็นอย่างนั้นฟังกันไปตามประเทียมีคือถ้าในฟังหรือหมู่คณะก็ฟังกันเราก็ฟังกันกับเขาไป เมื่อจบทำลงเมื่อใดการที่จะเอ่ยขึ้นพินคำคือว่าท่านเนตยอย่างไรสอนแต่อย่างไรไม่มีใครทนใจเสว้นั้นจึงไม่เอ่ยถึง <c oughs> เรื่องที่จะนำทำไปปฏิบัติก็ยิ่งหางเหินออกไปอีกเสว้นั้นทำคำสั่งสอนถึงจะดีเด่นแต่เสี้ยดีเสี้ยดอยู่เท่าไรถ้าหาขาดคนต้นใจขาดคนประทิศขาดคนปฏิบัติตาม ทำนั้นก็ปล่าประโยชน์ไม่เป็นสาระอะไรให้เหมือนกันแับอาหารที่แม่ครัวสลาดปรุงขึ้นแล้วยกไส่ภาชนะเมาให้รับประทานแต่ผู้รับประทานไม่รับประทานเสียอาหารเหล่านั้นก็ไม่เป็นสาระประโยชน์ให้แทนที่จะยื่มน้ำํารานเยอมีความสุข ที่เจริญมาทำคำต่าสๆเพื่อารประโยชน์แจกคอบครัวหรือแจ่ตัวขรองตัว้ามารถีดจับกำจัดความทั่วซึ่งกระเวรขึ้งทางตายทางวาจาทางใจขั้งหมดนั่น้งหน้าตรางตาที่เจริญนาและไปพิสทธิปฏิบัติตามได้ผลคือคุณงานความดีอย่างนั้นก็สนใจกันผู้เท่าผู้แก่คเป็นพ่อเป็นแม่ของเดก ก็มันเอ้สอนเด็กให้รู้จักาการประพฤติปฏิบัติทำข้อนั้นข อ, อนั้นาคันหนักาตัว้องตัวให้รับความสุขความสบายทางายทางใจเด็กได้ฟังสบการเี่ความเลื่องใสจากพ่อจากนี่นอยากจะรดับรับต่างต่อไปและอยากปรพฤติปฏิบัติความจรงารตามแนสอน ในสมัยปัจจุบันหรือสมัยก่อนผู้ที่จะมีอุปนิสัยมีใจเชื่อทำยินดีพุธปฏิบัติทำต้องถูกแนะสอนมาตั้งแต่ เ, เด็กอ่อนอยู่หรือเมื่ออายุแก้ามาก็มีใจอยากจะระดับรับตังค์ที่นิยนาะตามธรรมเหล่านั้นเมื่อเป็นช่นนั้นได้คว า, ามรู้ความตลาดภายในตนของตน แล้วก็ไปแนะสอนบุคคลผู้อื่นด้วยเหตุผลคือตนข้องตนทีนี้ที่จราาใค่ควรดีแล้วนการพูดในสถานที่ใดก็มีผู้เชื่อผู้เลื่อมใสผู้พอใจอยากจะกระดักรับตังหากตนข้องตนเที่ยงตังแต่จำคำเพื่อคำสอนจากครูบาอาจารย์หรือจากสำหรับตำราได้ ไปเล่าให้เขาฟังตามทำอย่างนั้นตามประบัติอย่างนี้ไม่ดีไม่งามแต่ตนข้างตนเองประบฤติชั่วปฏิบัติเสียจึง ท, ที้ห้ามเขาเราปรับทำถ้าเป็นอย่างนี้เด็กเขาก็ไม่เชื่อและคนอื่นเขาก็ไม่นับถือเศรษนั้นตามรู้ทำตามปฏิบัติทำจึงไป้อบหน้ากันรู้และปฏิบัติไปตาม สิ่งใดที่เราแนะสอนเขาเราต้องทำได้ไใมใ่ใช่จะสอนเขาแต่ปากทางมารยาทหรือทางทวามอดความทนทุกข์สิ้นทุกข์ส่วนเราต้องเป็นครูเขาเป็นทางฝูงแนะเป็นทางผู้นำเชิญแนะเขาเหงาให้เข้าใจแล้วนำเขาไปเพฤ่ปฏิบัตินี่แหละจึงจะได้รับผลรับประโยชน์ จากทำพูดด้วยจกกักการกระทำบนเพื่นคงตนคำคำสต่งสอนของพระพุทธเจาานั้นมีมากมาตายกองเหลือที่มนุษย์ธรรมดาจาะทลายนาใส้ั่วถึงได้เหมือนกันกับอาตาศกว้าง ใ, ใหญ่มากที่สุดถ้าหากผู้มีสจิปัญญามากเท่าไรก็รู้ก็เข้าใจมากเท่านั้นถ้าหากมี็ติ น้อยกัญญาน้อยการที่นี้ที่เจรนาทำก่อนน้อยในกว่างขวางเถิดนั้นพระพุทธเจ้าจึงเป็นฤทธใสของนักศาสที่ฉลาดยอดเยี่ยมกว่ามนุษย์ธรรมดาเราคือเป็นผู้ที่นคนหนาไม่สามารถจะย่างรู้ทั่วถึงได้แต่รู้เพียงเอเิจะเถิดส่วนหนึ่งส่วนใดเท่านั้น นำทำเหล่านั้นไปปฏิบัติภายในตนของตนก็ย่อมได้ผลคุ้มค่าคือจะมีความสุขความสบายละลึกขึ้นการใดสมัยใดได้รับความเยือกเย็นภายในใจของตนเกิดนั้นการจะดับรับฟังคำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าต่องพร้อมไปด้วยการปฏิบัติ พวกเราที่เข้าวัดเข้าว่าจะเป็นพระที่สุสามาเนนหรืออุบาสกอุบาสิกาก็ดีสมัยนี้การปฏิบัติด้อยลงทุกวันทุกเวลาเพราะเกิดว่าทางหากความปฏิบัติทางทรรมวินัยด้อยลงไปเท่าไรเรื่องตรงกันข้ามก็จะต้องเขวีพูนขึ้นเหมือนกันกับแสงสว่างถ้าหีลงเท่าไรถ้าเมื่อเกิดขึ้นเท่านั้น แสงสวางดับเมื่ อ, อไรมืดกดเตนที่เตนฐานของมันทันใดทำคําต่างสองของพระพุทธเจ้าที่ขาดขาดสมัยก็ทำนองเดียวกันคือในนี้ผู้ตั้ง อ, อกตั้งใจจดจำและประพฤติปฏิบัต 3, ิตามธรรมนั้นๆทำก็หมดลงไปเมื่อทำหมดลงไปเรื่องี่เลดปัญหามานะทิชชีหรือทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งผู้ไม่ได้อบรมผู้ไม่ใด ทีนี้ที่เจรนาจะต้องเกิดขึ้นทุกแง่ทุกมุมในว่าที่เหลือประเทศใดเพิดนั้นทำจริงเป็นเรื่องตาจัดผัดเลาที่เหลือหาผู้ใดนำคำคำสั่งสอนมาทีนี้ที่แกรนาหาหลักฐานแล้วประพฤติปฏิบัติตนท้องตนให้ถูกต้องตามคำคำสั่งสอ น, อนนั้นผู้นั้นจะได้รับผลคือตาม สุขกายสบายใจเมื่อเห็นผลเห็นกำไรจากการที่ตนประพฤติปฏิบัติจริงแสงนี้รับผลอย่างนี้ก็จะมีศรัทธาทคือความเชื่อประส า, าทะคือความเหลื่มใสยินดีพอใจอยากจะปฏิบัติทำอันสูงยิ่งขึ้นเกิดนั้นการประพฤติปฏิบัติทำจึงจําเป็นในพวกเราทุกคนที่จะนำทำทำสั่งสอนอนั้นนั้นมา ขัดตายรายใจาจิตของสนนี่ใช่ว่าจะเข้ามาวัดมาวมาวมาบวชเป็นพระเป็นเนรยิ้เหลือดตั้งหาจะตกจะหลุดออกไปหรือเขาวัดเาวาเมือ่อใดก็จะได้บุญได้ผู้ผลนได้ความสุขความสบายข้องใจอย่าไปคิดเชียงแค่นั้นถ้าเขาวัดเขาวาไม่ตั้งหน้าตัาง้งตาประพฤติปฏิบัติธรรมที่ไหนหรือจะไปอยู่ป่าสถานที่ใดที่เว่าภาวนาดีอย่างนั้นอย่าง เราไปเนี่ยเราไม่ทําความดีที่ได้ยินมาว่าสถานที่นั้นนั่งภาวนาหรือทํทาความขาดความเพียนได้รับความสุขได้รับความสบายองคนั้นได้สำเร็จพระดาศกิจทาชาหัมอยู่สถานที่นั้นแต่เราไปไม่ได้ตั้งใจปฏิสัจจิบัติอย่างท่านเราก็ไม่มี โอกาสเวลาหรือไม่ได้สติปัญญาหรือไม่ได้ความรู้ความฉลาดอะไรสถานที่ก็เป็นเรื่องอันหนึ่งซึ่งจะเป็นอุปกรณ์ให้ผู้ปฏิบัติได้รับความสุขเหมือนกันแต่ข้อสำคัญผู้ปฏิบัติก็เป็นเรื่องสำคัญอีกอันหนึ่งนี่ใช่ว่าสถานที่อย่างเดียวจะทำให้เราดีเราดีไปได้ สถานที่ก็เป็นของสําคัญคนผู้ไปก็ต้องตั้งใจประพืชกิบัติพร้อมทั้งสถานที่ใั้คนที่ไปย่างเข้าวัดเข้าวางรือว่ า, วาไม่มีรูปเล็บเด็กแดงไม่มีตัตอันอืน่นหรือไม่มีความกังวลอันอืน่นบวชเรียนเช้นอ่านอาศัยชาวบ้านเลี้ยงชีพแต่แค่ว่าจะมาอาศัยแต่ชาวบ้านเลี้ยงชีพแต่ตนทองตน ทำเป็นอย่างไรที่ในเป็นอย่างไรไม่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติคนนั้นก็จะต้องอดต้องจนอีกเหมือนกันเหิดใดจึงอดจึงจนเพราะเหตุว่าเขาเข้ามาดูจิตรียามรยนาะเขาเข้ามาดูวัดบาสานะไม่น่าดูทุกสิ่งทุกอย่างเพราะไม่ประพฤติทำไม่ปฏิบัติทำเมื่อเป็นอย่างนั้นผันแล้วก็หลับก็นอนเชืยอตื่นขึ้นก็เล่นก็เพลเินไปเรื่องอันอืน่นวัด ว่าไม่กวาดไม่รักษาเดินจงกรมภาวนาไม่เอาใจใส่เขาเห็นเขาไม่พอใจเขาไม่เชื่อเขาไม่เลื่อมใสจำเป็นจะต้องอดอดทั้งอาหารการบริโภคอดทั้งท้านุ่งท้าห่มอดทั้งที่อยู่ที่อาศัยไปพักสถานที่ใดเขาก็รังเกียจเกลียดที่ตนประพฤติทั่วปฏิบัติไม่ดี้าหาก ประพฤติดีปฏิบัติชอบสถานที่ถึงจะไม่ดีแต่เพราะว่าเราเป็นคนดีก็อยู่ในสถานที่นั้นตั้งหน้าแวดแนวประพฤตปฏิบัติทำตามกำลังความสามารถหรือโอกาสอำนวยพอจะได้สาระประโยชน์จากการกระทำบำเพ็ญของตนเหมือนกับคนที่เป็นช่างถึงแม้ ว, ว่าวัตถุอันนั้น จะไม่เป็นของประนีประจงแต่เท่ว่าเขาเป็นช่างสลาดในการแต่ทำจะเป็นช่างไม้ช่างชองชัางเหล็กหรืออะไรก็ตามเขาเป็นช่างเขาทาได้ให้เสวยจดงดงามขึ้นได้ถ้าหาไม่เป็นช่างชัางของนัานก่อใหม่ประกอบเสียหายไปหมดถ้าขา่างเป็นช่างช่างของนั้นประกอบคุณค่าราชาหรือความสวยงามจะ จิตจิตใจของผู้ที่ใดไปรู้ไปเห็นฉันใดการแตทาบำทําเพ็ญทางจิตทางใจก็มีในเหมือนกันขณะนั้นสถานที่ท่าห์สง บ, งบเงียบไม่มีบุคคลเช่นผ่านไม่มีการงานลวงหลังสะดวกในการกระ ท, ำำทําบําเพ็ญสมณะจิตทุกวั น, ท, วนทุกเวลาไม่ว่าต่างวันไม่ว่ากลางคืนแล้วผู้ ผูู้ปฏิบัติผู้ไปอยู่ในสถานที่นั้นตั้งหน้าตั้งตาภาคเพียนพยายามเดินจงกรมภาวนาจดตามคำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เส ม, อ, มอไปจิตใจของผู้นั้นจะมีวันมีเวลาหลุดพ้นไปจากที่เหลือัำหาได้อย่างไม่ต้องสงสัยแต่สถานที่ก็ไม่ดีบุคคลก็ไม่ดีก็ยิ่งไปใหญ่ ไม่มีอะไรที่จะหน้าตาหน้าน่าว่าน่าเลื่มอมใสท่าหาจสถานที่ไม่มีบุคคลดีก็ยังพอใช้ไม่เสียหายทั้งสองอย่างเหมือนกันกับเรามีค่าทั้งสองข้าว <c oughs> เราเดินก้าวไปสถ า, านที่ใดสะดวกสบายค่าฮะข้าวขาองเราถูกน้ําทิ่มแทงลงไปหรือเจ็บปวดเป็นบาดเป็นแผลมีค่าเดียวเท่านั้นคือในเจ็บปวด เดินก็ไม่ข่อยสะดวกสบายนี่เหมือนกันสถานที่และผู้อาศัยจะต้องตั้งใจเป็นคู่กันสถานที่ก็ดีแราบุคคลผู้ไปประบัติปฏิบัติก็ตั้งใจจริงๆริังจั ง, จงถ้าอย่างนั้นได้รับผลรับประโยชน์เราเข้ามาบวดเป็นพระที่สู่สา ม, มาเณรให้หมันที่นึกที่ใจ น, นะวันเคืนที่ล่วงไปในวันหนึ่งหนึ่งเราได้ปฏิพืต ป, ปฏิบัติขนาดไหน จนที่เลื่อนใสหรือยินดีของเราแ ล, ล้วหรือยังตร ว, วจตนพิจารณาตนอยู่ทุกวันทุกเวลาว่าระยะเวลาที่ผ่านไปเราจะเกิดความรู้สึกในตัวของเราทางดีอย่างไรหรือเสียหายไปเพราะการไม่คิดคิดตามอารมณ์ทั่วเมื่อเราตัวทชิ้นพิจารณาได้อย่างนั้นจะมีวันมีเวลา ห้มขันขี่เลือกันหาที้ไปสายชั่วให้เหียดหายไปส่วนความดูอย่างไรที่จะเป็นไปเพื่อความสุขความเจริญเราต้องที่นึกคิดอะไรนอะต้องแต่ทำบำเพ็ญถึ ง, ถงยากลรมบาก็บังคับบัญชาจิตใจของเราใส่เหมือนกันกับคนไข้ถึงยามันจะขมจำเป็นแต่ยานั้นรับประทานลงไปทำโรคไข้ ภายในกายให้เหยียดหายไปได้เราก็สู้อดสู้ทนกินยาหรือฉันยาเหมือนนั้นจนโรคภัยภายในกายของเราเกยียดหายไปได้เราจะอยู่เป็นสุขเป็นสบายถ้าหากเราลังเก็ยบยาเห็นว่ายามันขมยามันปากยามันเปลี่ยนยามันไม่อร่อยอร่อยแต่โลกภัยภายในกายของเราถูกกับยาชนิดนั้น เราไม่คบไม่ฉันไม่อยากไม่กินโรกของเราก็ไม่มีรันมีเวลาที่จะหายไปได้การเกียดติท่านทางตายทางใจของเราก็ทำนองเดียวกันได้สาระประโยชน์ได้ผลจากการหลับการนอนการเล่นการเชิญหรือการเกียดติท่านอย่างไรเราได้พิจารณาไหมถ้าหาเราไม่ได้พิจรารณาจิตใจของเราก็ไม่มีรันเ้าหน้าไปได้ เป็นอย่างไรก็ปล่อยไปตามเบื่องข่องมันเหมือนกันกับขอมนมาที่ปล่อยไปตามลำพังข่องมันตามลำ น, น้ำไม่มีวันมีเวลาที่จะถึงค่าคืเราส่้งการได้หรือจะไหลตายผ่านไปก็เป็นหน้เพราะอำนาจที่ในเมตสติไม่มีปัญญาบังคับบัญชาจิตใจของตนก็ททำนองเดียวกัน เพลนั้นทุกวันทุกเวลาที่ผ่านไปให้เรากาหนดสติของเราไว้ในทินงใดทิ้งหนึ่งภายในใจของเราอยา่าไปปล่อยจิตใจให้วุ่นวายหรือจิดตามอารม์ภายนอกหากบุคคลผู้ใดคุมสติเอาไว้มีปัญญาสืบสอบภายในายใน ใ, นใจของตนสม่ำเสมอ บุคคลผูน้นั้นจะรู้จะเข้าใจเรื่องของความสงบเรื่องของความสะดวกเรื่องของความสบายของใจเข้าใจเราท่านเชี่ยบกรีธรรมดาเรีงวอกแวกอยู่สงดไม่ได้แต่เรื่องถ้าเราปูโซหรือล่ามโซเอาไว้ถึงมันมอกว่ามันก็ไม่ไปทาําความเสียหายอะไรเพราะ มันมีโซ่ผิดความมันอยู่ใน ห, หลักในตอไว้จิตใจของเราถ้ามีสติรักษาอยู่เรื่องทั่วช่าลามกที่เกิดขึ้นมาอารมณ์สัญญาอะไรรู้หน้ารู้ตาของมันจะทําเราให้เสียหาอย่างไรเราต้องรู้ต้องเข้าใจเมื่อเรามีสติเมื่อมันเป็นอย่างนี้อารมณ์ที่ทั่วเราก็สอนตัวของเราว่าเอามอันนี้ข้างหาไป สือเข้าหรือไปเสดเข้าไปยินดีเข้าจะทำความเสี่ยมเสียแต่เราอย่างนั้นอย่างนี้สอนตัวของเราเองแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติในทางที่ถูกจะกำหนดอะไรก็กำหนดลงไปามคมสัม่งสอนของพระพุทธเจา้าที่ท่านแม่สอนแต่สมัยเก่าก่อนท่านสอน <c oughs> ถึงเรื่องใตรั ธรรมาใจรักผู้ที่ในโลกเจอฌานตหรับตํ า, ตาร า, าก็ไม่รู้ว่าใตรักคืออะไรภาษาไตรักเป็นภาษาบาลีแต่ภาษาของเราใจรักก็ได้แฉะคำไม่เที่ยงได้จฉะามเป็นทุกข์ได้แฉะาม ไ, ไม่ใช่ตัวใส่ตนคำไม่เที่ยงถ้าหากเรากาหนดคุณิติเจนาปัญจีงจังไม่มีอะไรในโลกที่จะเที่ยงแค่ แน่นอนนี่แต่ของปลอมแปลงนี่แต่ของไม่เที่ยงทางนั้นจะเป็นเรื่องจิตใจก็ไม่เที่ยงจะเป็นเรื่องร่างกายก็ไม่เที่ยงจะเป็นอะไรทั่วไปไม่เที่ยงทางนั้นเราจะกําหนดค่าไม่เที่ยงให้่างฐานร่างกายของเราพอพอจะกําหนดได้เพราะร่างกายของเราแต่เตาก่อนเป็นอย่างไรถ้าหากเติมใหญ่ขนาดนี้จะไปอยู่ในท่องในทันของมันดาไหลไหมนี่ต้องแสดงให้เรารู้จักแล้วว่า คามไม่เที่ยงของหลังายมันเปลี่ยนไปแปลงไ ป, งไปทุกวันทุกเวลาแต่เราเป็นเด็กเป็นอย่างไรเมื่อเป็นเด็กโตขึ้นมาน่อยเรือเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นอย่างไรกำลังบาังใาของเราเราก็พอจะรู้จะเข้าใจได้สมัยที่เรายังเป็นเด็กกำลังขนองอยู่ไปสถานที่ใดตรวจเลยแต่เดี๋ยวนี้จะไปอย่างนั้นได้ไหมมันผุดกัน ไม่เตี้ยงทั่วไปในอวัยวะร่างกายของเราไม่บาบผมบาดขนบาดเล็บบาฟันบาะสถานที่ใดๆเราจะกำหนดอยู่ในสถานที่อย่างนี้ในร่างกายอย่างนี้ได้เชื่อเราภาวะนะเพื่อที่จะแก่ใช้จิตใจที่เป็นอุปาทานทคือควายึดมัน่นหรือเพื่อแก้ตัวของตัวที่เคยมัวเมาประมาทว่าชีวิตเวลาของเราเป็นอย่างไรในคะำนึงคำนวณฮะ ถ้าหากเราพิ ā, nào, ủ, จารณะควาไม่เที่ยงอยู่สม่ำเสมอไปตายของเรานับบรนนับเวลาที่จะแก่จะเข้าเวลาเราเป็นเด็กความเจริญเติบโตก็เหมือนกันกับธาตุการ์ขางขึ้นนับบรรนับเวลาที่จะมีกําลังทห่แย็แรงขึ้นทุกวันทุกเวลาเหมือนแสงจันทร์ที่มันขึ้นมาจ้าใส่สิ่งทุกวันทุกเวลาเมื่อไปถึงวันชญคือกลางเดือนแล้ว ตอนนั้นไปพราจันก็นับวันจะหลีแสงลงไปน้อยลงไปแสงอ่อนลงไปจนผลที่สุดก็ถึงวันดับวันรับคือท้าจันไม่ปรากฏชีวิตของเราทุกคนก็เป็นทํานอง น, นั้นถ้าไม่เที่ยงของรั้งก า, า, ายล่างกายถ้าหากเราจะกำหนดอะไรทุกขึ้ทุกส่วนตาของเราแต่เก่าแต่ก่อนแต่เด็กแต่เล็ก ดูอะไรแจมใสชัดเกินแต่ทุกวันนี้ถ้าหางถอดแว่นออกไปดูหนังสือตัวเล็กๆก็ไม่ค่อยเจอรูอ้จะเห็นหนี่เพราะความไม่เที่ยงของของตามองดูหนังสือ น, นานๆจนคนผ่านมาดูหน้าดูตาไม่รู้ดำไปหมดบางทีสายตาของเราไม่เที่ยงมันเสียไปแต่ก่อนจะเก่าเป็นอย่างนั้นฟันของเราก็เหมือนกัน แต่ก่อนจตเกาเอาอะไรเข้าไปตัดได้เชี่ยวแตกเท้งนั้นแต่ทุกวันนี้ยงังขัดแั้งแข็งนิดหน่อยมันก็ยังลำบากทาหามันหลุดมันถอนออกไปยิ่งกว่านี้จะเป็นอย่างไรแต่ถึงอย่างไรก็าตามถ้าไม่เชี่ยงเหล่านี้จะต้องแปรไปตามสภาพของมันเลื่อยไปจนถึงที่สุดคือความตายตายแล้วก็ยังไม่เชี่ยงอีกพลาด ดินก็จะแหย่ใคเป็นยินผัดนะ้ำก็จะไปดปินหน้าผัดลมถัดไปไปตามเรื่องของมันความไม่เที่ยงของธาตุของขันเป็นอย่างนี้เกิดนี้ทำความสัมม่งสอนของพระพุทธเจา้าจึงมีอยู่ในแต่คนละายของพวกเราหญิงชายขั้วไปควรกําหนดจิตกําหนดใจที่นิจารณาของร่างกายของตนเมื่อเราสืบจสอบที่นิจจารณาความไม่เที่ยงและความแตก ส, สลายของร่างกาย ไปจากธเตุเยนเป็นอนาาัตตาคือควานไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายเป็นสักว่าร่างกายเท่านั้นเป็นสมมติ อ, มอันหนึ่งเท่านั้นจิตใจของเราท่านเมื่อรู้เมื่อเข้าใจไปจากธัดเย็นเป็นแจ้งอย่างนั้นจะต้องถอดถอนอุปาทานไม่มีอุปาทานเข้าไปยึดในธาดในขันควานทุกข์เป็นอย่างไรก็รู้จัก แต่ทุกนั้นนี่ใช่จิตคือบริสุทธิ์ความสุขเป็นอย่างไรก็รู้จักแต่สุขก็ไม่ใช่จิตคือบริสุทธิ์อีกเหมือนกันจิตคือบริสุทธิ์จากสิ่งเหล่านี้คืออะไรผู้ประพฤติปฏิบัติจริงจังท่านจะย่างรู้เฉพาะตัวของท่านความสุขในนิสัยในเจือด้วยอานิสในนิคือในอยู่ในวงล้อมของสี่เหลี่ยันแรัส ชนิดที่ในจิตในวัฏจักเป็นอย่างไรท่านจะเข้าใจชัดเจนผลประจักษ์เหตุนั้นการสาธิตปฏิบัติเที่ยงแจงแต่เรามีสติกำหนดลมหายใจหรืออวัยวะร่างกายเท่านั้นก็มีอ น, นิสงส์คือความไม่วุ่นวายคือความไม่ขัดข้องคือความไม่เศร้าหมองของจิตของใจเพราะเหตุใดเพราะอวัยวะร่างกาย ของเราเรารู้เราเห็นตามสภาพาของมันหรือยังไม่รู้ไม่เห็นด้วยอํานาจของจิตจะอนุมาณคํานึงคํานวณทิ่นี้ที่เจรณาให้รู้ว่าในร่างกายมีอะไรบ้างเป็นของสวยของงามหรือเป็นของสี่นี่ที่นี่ที่นิ้ทีจรณาแยกแยะจะดูทุกสิ่นทุกส่วนแต่ดูหรือที่อ่อในใจดูหรือเส้นน้อยเช่นใหญ่หรือ เนื่อหนังต่างๆแยกดูพิจารณาดูมันสวยที่ไหนมันงามที่ไหนหรือมันเป็นอย่างไรถ้าหากเราเราเข้าใจเรากาหนดที่นีพิจารณาอย่างนั้นจิตของเราท่านก็จะไม่ไปเสพชามั่วที่เหลือตันหาที่เคยมีในตัวถ้าหากเราไม่ไปเกาะเกี่ยวขวบพันเรากาหนดเรื่องของธาตุของฉันอยู่อย่างนั้นเราก็มีวันมีเวลา ที่จะได้รับความสงบหรือความสบายเมื่อย้ําแย้งระจากในจิตในใจเมื่อใดก็ยิ่งจะได้รับความสุขท่องใจเพิ่มสวีขึ้นขึ้นอีกเหตุนั้นตามทางธรรมะธรรมสัง่งสอนในสมัยพุทธกาลท่านมักอยากแสดงอริยสัจอริยสัจกับไตรลักษณ์ก็ไม่คิดอะไกัน จะสแสดงไปแหนใดมุมใดเปตามเรื่องของคำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าย่อมบกบนญเข้ามาสู่ายวาจใจใจของตนเท่านั้นไม่ได้สแสดงออกไปนอกไม่ได้สแสดงออกไปที่อื่นเพราะกิเลสจำนวนมากมายตายกองไม่ได้ไปอยู่ที่อื่นอยู่ที่หัวใจของบุคคลเมื่อบุคคลกำหนดเรื่องของตายของใจจะเห็นกิเลสที่ออกไปหรือเข้ามาถ้านีสติ ถ้าหากรู้ทางออกทางเข้าของมันเราก็มีวันมีเวลาที่จะตัดการความที่เราไม่ต้องการไว้ได้ส่วนที่เราต้องการเราอยากจะให้มันดีดมันดีมันมีกําลังเรี่ยวแรงขึ้นไปเราก็พยายามบำรงความดีนั้นแต่ถ้ามีคุณขึ้นนี่คือการภาวนาทำมะทำสั่งสอนสอนเข้ามาสู่ตัวของเราเท่านั้นไม่ได้สอน ต้นไม้ภูเขาไม่ได้ไปสอนเอาอะไรที่อีกเพราะกิเลสมีอยู่ที่ใดมัดผลก็ยอมเกิดขึ้นที่นั้นไม่มีอยู่ในที่อื่เกิดนั้นคมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าผู้คิดสลาดในธรรมคือเป็นคำมะตามโมผู้ใช่ธรรมทีท่เรณาธรรมจะอยู่สัจธรรที่ใดอยู่ในป่าในเขาหรืออยู่ในวัดในวัดในบ้านในช่องท่านจะต้อง กำหนดท่านจะต้องฟังทำคือทำมีประจําอยู่ในจิตในใจของท่านไปแต่ฐานที่ใดไม่ขาดไม่ไม่ขาดครูไม่ขาดอาจารย์แนะนําคือมีสติอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาท่านจะต้องคิดนิสิตเจนาอยู่ทุกระยะทุกเวลาท่านจึงได้ชื่อว่าธรรมะตาโมคื่อใช่ธรรมนิจารณาธรรมอยู่สมไปเมืม่อไป ผู้ใครทำผู้พิพจรารณาทำผู้นั้นแหละเป็นผู้จะเห็นทำถ้าผู้ไม่พินิษพิจารณาผู้ไม่ดูแลจะเป็นของใดโตแลหัวฐานขนาดใดก็ไม่มีวันมีเวลาที่จะพบจะเห็นได้เพราะไม่ได้เอาใจใส่หูมีก็ไม่ฟังตามีก็ไม่ดูที่เรามีหูมีตาให้พินิษพิจรารณามีใจให้ใไข่คิด ในเรื่องของจิตของใจของเรามันวเสียหายไปด้วยอุบายอะไรเราต้องจิดมันไว้ส่วนใดคือทำจิตใจให้สงบเยือกเย็นเป็นอารมณ์ของสมาธิหรือเป็นเรื่องของนิปัพานาใช้มันนิพพานาให้ทิพย์นิพพานาธรรมะส่วนนั้นหาบุคคลผู้ใดเอาใจใส่หาบุคคลผู้ใดสร้างใจประพฤติปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจ้าทำเหล่านั้นแหละเป็นตปะ แห่เขาที่เหลือปันหาที่มีมากก็จะหายหนะ้าหายตามีน้อยก็จะดับจะหายจะหมดไปจากกายจากใจของเราเกิดนั้นคำของพระพุทธเจ้าจึงเป็นเครื่องขูดเปาที่เหลือปัญหาคำผูกที่นึกที่เจนนะผูกกับพืชปฏิบัติให้ได้รับความสุขทางกายทางใจตามกําลังทามงสามารถที่ตนท้องตนต่อพืชปฏบิบัติได้ครับ บุคคลผู้ดใดใช่ควรพิจารณาตามธรรมะของพระพุทธเจา้าที่ท่านบอกเอาไว้สอนเอาไว้ศาดเอาไว้ใายใจของบุคคลผู้นั้นจะได้รับความสุขในปัจจุบันคือไม่มองเห็นโทษทุกอันอื่นที่จะมาเกี่ยวก่อขัวพันหรือเกิดขึ้นจากจิตจากใจทองคนหากขาดธรรมะเข้าไปฟอเข้าไปขัดเตาจิตใจของเรา ป ล, ล่อยและเหงเร่ร่อนตามสัญญาอารมณ์หรือตามความชอบใจของเราโดยไม่เด็ดที่นิกที่เจถึงว่าคิดถูกอย่างไรบุคคลผู้นั้นแหละจะมีความปุ่มใจเสียใจแต่รับความเดือดร้อนทางจิตทางใจงท่องตนเพราะกิเลสลุ่มเผาอยู่ทุกวันทุกเวลาเกิดนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้า จึงเป็นหน้าที่ของพวกเราเราผูาา้แสสะนิดปรชนทุกท่านทุกคนจะมาฝึกฝนจะมาอบรมจะมาแก้ไขความทั่วในตัวให้ตกออกไปความดีอะไรที่ควรจะกต่ทำบำเพ็ญได้ในวันนี้เดือนนี้ปีนี้หรือชาตินี้รีบกจะทำบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นเป็นที่เนฐานถึงแม้จะใน่พ้นจากที่เหลือปัญหาใน ร, ยระยะปัจจุบันทันตาแต่เช่ว่า อำนาจที่เราปฏิบัติปฏิบัติเราบวบบวมบ่มจิตของเราก็ได้รับความสุกในพบชาตต่อไปข้างหน้าเหมือนกันกับเราเดินถนนทอนทางเสียเปลี่ยวเสียไปทางไปถ้าหากเราไม่ตั้งใจเดินจริงจังก็เสียเวลากว่นานมันถึงจะไปถึงถ้าหเราเดินกันจริงๆจังจังถึงจะทางไม่ถึง สถานที่เราต้องการในวันนั้นวันข้างหน้าเราก็เด็เดินนิ ด, น, ดนิดหน่อยหก็ไปถึงจุดหมายปลายทางชั้นใดตามประงพสูจนปฏิบัติทางกายทางใจของพวกเราท่านทั้งหลายก็ให้มันที่นี้ที่เจริญาตั้งหน้าตั้งตาจะทําบำเพ็ญจริงจังถึงจะไม่บรรลุมรคผลในปัจจุบันทันตาชาตหน้าต่อไปเราก็าจะทําได้ง่ายเมือไปถึงจุดหมายปลายทางอย่างสะดวกสบาย เหตนั้นขอขวกเราท่านทุกคนจงหมั่นคิดิุยจนาฝึกฝนอบรมจิตใจท่องตนให้เป็นไปตามธรรมธรรมสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจะเป็นเครื่องขูดเซาเรื่องกิเลสปัญหาออกจากตายกายายใจท่องตนจะได้รับผลคือความสุขในปัจจุบันพันตาธรรมะของพระพุทธเจ้ามีคุณค่ากอเพราะเหตุที่ว่า พวกเราตั้งหน้าตั้งตานำธรรมนั้นมาเนะนนำธรรมสอนตนนี่ใช่ว่าเราเข้ามาวัดมาวามาเป็นพระเป็นเมนแล้วจะให้ธรรมะกาจัดกิเลสตัณหาภายในใจในภริยาในใจของเราให้ตกไปเราต้องกําจัดเอาธรรมะมากําจัดคือตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตามธรรมะของพระพุทธเจ้าเมื่อบุคคลผู้ใดตั้งจิตตั้งใจสำลักสะสาง กายราจาใจของตนชั่วที่มีอยู่ก่อชำระมันไปทั่วใหม่ที่จะเข้ามาสู่กายสู่วาจาสู่ใจของเราเราก็ปิดกั้นเอาไว้ความชั่วทั่วไปไม่มีโอกาสที่จะเข้ามาที่มีอยู่แล้วก่อชำระสะสางมันไปส่วนความ ด, ดีส่วนใดที่ยังไม่มีก่อควยเอาหรือประพฤติปฏิบัติเข้ามาสู่กายสู่ใจท่องตนความดีอันใดที่ได้ประพฤติปฏิบัติ เจนว่ามีคุญ่าราชาอยู่ในกายราจาใจข้งตนแล้วก็ให้พยายามรักษาเหมือนกันกับเขาที่รักษาครับหากบุคคลผู้ใดตั้งหน้าตั้งตาแต่ทำมบําเพื่นตามหลักทำคำสั่งสอนถือพระพุทธเจ้าเนี้ยเอาไว้บุคคลผู้นั้นก็จะมีความสุขความเจริญในตามอธิบายธรรมะวันนี้ขอคุณพระจีรพนาใจ จงปกปักรักษาผ่านนักภาวนาให้ได้รับวามน์เก้าน่สสำเร็จตามความมุ่งมา่นตัดฐานของตนทุกผ่นทุกคนเทิญเอวัน